แม่โยเป็นไงบ้างโยภาวนาเป็นไง้างเป็นไงเรื่อยๆแปลว่าอะไรเรื่อยๆมาเรียงๆ่าเคยฝึกที่ไหนฟังยุบก็ดีอะไรก็ได้ฝึกเถอะหายใจเข้าหายใจออกดูท้องฟองยุบจะขยับมือ จะเดินตรงกลมจะอะไรก็ทําไปเอาสักอันนึจุดสําคัญคือทําแล้วให้สติมันเกิดาการปฏิบัติไม่ได้ทําอย่างอื่นหรอกมุ่งทํทงาทําไงสติจะเกิดบ่อยๆยงยคือสดาสติเกิดยังเ <c oughs> นี่ยใจมันหนีแวบบดูออกไหมส่วนใหญ่ชอบไปนั่งจ้องนั่งจ้อง เวลาเราจะดูท้องพองยุคจิตเราไหลไปอยู่ที่ท้องอย่างนี้ใช้ไม่ได้จิตไม่ตั้งมั่นเราจะรู้ลมหายใจจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมนี่ก็ใช้ไม่ได้จิตไม่ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นหมายถึงจิตไม่หลงไปจิตไม่ไหลไปมันหลงไปไหลไปทางสวารค์ทั้งหกนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่พไหลไปแล้วก็ไปปรุงแต่งเกิดความทุกข์ขึ้นมาใจยังเครียด ลืมตัวเองเมื่อไหร่ก็เครียดเมื่อนั้นนั้นรู้แต่เรื่องที่คิดลืมตัวเองนะลืมกายลืมใจยังไม่รู้สึกตัวนะตรงเนี้ดูออกไหมใ ห, ให้ให้มันไหวแวบออกไปแล้วค่อยรู้อย่าไปจ้องไว้ก่อนจ้องไว้ก่อนผิด น, นะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้จ้องท่านสอนบอกให้ตามรู้ตามรู้หมายถึงว่า มันลงไปมันไหลไปแล้วก็ค่อยรู้นะอย่าให้รู้ช้าเกินไปจนมันหนีไปนานอย่างนั้นก็ช้าเกินไปการตามรู้เนี่ยเราเสังเกตให้ดีใจของเรานีวับแวบวับแว บ, วบทั้งวันถ้าเรารู้ทันเขาหนีไปแล้วเราก็จะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในฉับพลันการปฏิบัติต้องสดสดร้อนๆต้องเป็นปัจจุบันต้องฉับพลันทันทีนะ การปฏิบัติแบบค่อยเป็นค่อยไปสะสมไปนะวันนี้หัดเจริญสติพรุ่งนี้หัดรักษาศีลวันนี้หัดทําสมาธิอะไรเงี้ยต่อมาหัดเจริญปัญญาอย่างนี้อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะนะเข้าใจการปฏิบัติผิดแล้วรู้จักเผลอยังอย่า ง, างตะกี้เราลืมตัวเราเองรู้สึกไหมใจเราหนีไปหนีไปคิดเอาคุณรู้สึกขึ้นมา นะอย่าถลําลงไปข้างในอย่าส่งใจเข้าไปจ้องมันส่งเข้าข้างในก็ผิดนะะส่งไปข้างนอกก็ผิดกุ้งทําไหมเข้าไปล้ว <c ười> คอยรู้สึกรู้สึกตัวไว้อย่าหนีพิคิดอย่างนั้นรู้สึกตัวหายใจแรงๆสักทีสิยังไม่ตื่นนะ <c ười> รอฟังทราบไหม อย่าปล่อยใจอย่าบังคับใจให้มันนิ่งๆอยู่ปล่อยให้เขาเคลื่อนไหวไปแล้วค่อยตามรู้นะอย่างตรงนี้ดีกว่าตะกี้ตะกี้อย่างนี้ไม่ดีไม่เพ่งไม่เพ่งเพ่งแล้วผิดเลยนะไม่เพ่งไม่เผลอเนะี่ยอย่างนี้เรียกว่าหลงนะที่กำลังเป็นที่หลงรู้เปล่าหลงมีหลายแบบรู้สึกตัวนะตื่นขึ้นมารู้สึกไ ยังไม่รู้สึกหรอกยังคิดอยู่ยังยงไหลไปอยู่ในโลกของความคิดค ร, รู้สึกตัวคือไม่หลงไม่เผลอนะมีอันเดียวไม่ต้องวิเคราะห์นะคือพอเรารู้สึกตัวได้เดี๋ยวเราจะเห็นกายเห็นใจตามที่เขาเป็นถ้าเรารู้สึกตัวไม่ได้ใจลอยไปที่อื่นเราก็รู้กายรู้ใจไม่ได้ ขอให้เห็นใจเห็นใจตามความเป็นจริงเถอะไม่ต้องคิดหรอกยังไงก็เป็นใจรักไม่ได้ไม่ได้เห็นได้ทีละอย่างนะจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวหลวงพ่อจะเล่าภาพรวมของการปฏิบัติให้ฟังนะคือจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าความหลุดพ้นนะถ้าหลุดพ้นแล้วเราจะเห็นนิพพานเราจะพ้นทุกเด็ดขาด คำว่าความหลุดพ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าให้คําจํากัดความบอกว่าจิตหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสจิตหลุดพ้นจากอาสะวะเพราะความไม่ถือมั่นจิตของเราเนี่ยไม่หลุดพ้นนะลองสังเกตดูที่ใจเรารู้สึกบ้างไหมใจเราเหมือนอยู่ในขอบเขต ท, ที่จํากัดนะบางคนรู้สึกเหมือนอยู่ในไหาบางคนบอกอยู่ในแคปซูล ลองสังเกตดูจิตใจเรามีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมันไม่สามารถสลัดตัวเองหลุดออกมาได้ไม่เป็นอิสระได้จริงๆรงนะตัวนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรนะนะฝึกสักพักหนึ่งจะมองเห็นนะกุ้งมองออกหรือยังว่าใจเราไม่อิสระแต่เราถูกขังไว้นะคุณสันติดูออกไหม ม, มันมีกรอบมีขอบมีเขตที่ขังเอาไว้นะเนี่ยฝึกไปสักช่วงหนึ่งจะมองเห็นดูออกหรือยังดูออกไหม มันมีขอบมีเขตอยู่จิตใจเราไม่ได้เป็นอิสระหรอกจิตใจติดคุกถูกอาสะวะขังเอาไว้ถ้าเมื่อไรสามารถหลุดออกจากอาสะวะท่านสอนบอกว่าจิตหลุดพ้นจากอาสะวะเพราะความไม่ถือมั่นไม่ถือมั่นในรูปในนามในกายในใจนั่นแหละเปลือกที่ห่อหุ้มจิตไว้ก็จะแตกสลายไปคราวนี้จิตก็จะไร้ขอบไร้เขตไม่มีจุดไม่มีดวง รูบาจารย์บางองค์ท่านบอกว่าเรียกว่าจิตหนึ่งจิตเดิมแท้หลวงปู่ม่านเรียกทีที่จิตทีติภูตังอะไรแล้วแต่จะเรียกกันจิตซึ่งมันเป็นอิสระไม่มีขอบมีเขตไม่ถูกขังไม่มีข้อจํากัดกว้างกว้างขวางนี่จิตจะเป็นอย่างนี้ได้จิตต้องจะเกิดวิมุตต์ได้เนี่ยจิตต้องมีปัญญาอยู่ๆเราจะไปทําจิตให้กว้างขวางเราจะกลายเป็นหลงธรรมอรูปขึ้นมา นั่งไปเพ่งความว่างทำใจให้กว้างคว้างกว้างก ว, ว้างยังไงก็มีขอบอย่างมากที่สุดก็ไปติดรูปไม่สามารถเป็นอิสระได้จริงๆ จ, จะเป็นอิสระได้จริงเนี่ยต้องสามารถรู้กายรู้ใจจนกระทั่งจิตมันปล่อยความยึดถือกายกับใจได้การตามรู้กายตามรู้ใจตามความเป็นจริงเรียกว่าการเจริญปัญญาหรือการเจริญวิปัสนา เมื่อจเจริญมากเข้ามากเข้าเกิดปัญญาสามารถปล่อยวางกายปล่อยวางใจได้ก็เกิดความหลุดพ้นเงั้นความหลุดพ้นทำขึ้นไม่ได้ความหลุดพ้นเกิดจากมีปัญญาปัญญาก็ททำขึ้นมาคิดคิ ด, คดขึ้นมาไม่ได้ปัญญาเกิดจากการที่เราสามารถตามรู้กายตามรู้ใจตามความเป็นจริงได้เรยยะถาภูตยานทัศนนะ เราตามรู้กายตามรู้ใจไปในสุดก็เห็นวนะ่าเออกายไม่เที่ยงนะกายเป็นทุกข์นะกายเป็นของบังคับไม่ได้จิตไม่เที่ยงจิตเป็นทุกข์จิตเป็นของบังคับไม่ได้เนี่ยถ้าถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็จะหลุดพ้นได้อย่างคนทั่วทั่วไปคิดว่าร่างกายเนี่ยไม่ค่อยทุกข์นานๆทุกทีหนึ่งหิวข้า ว, ถ, ว, ว ถ, นะาาถึงจะทุกข์วดเอือบปวดฉี่ถึงจะทุกข์นะไม่สบายเจ็บไข้ถึงจะทุกข์ตอนอยู่เฉยๆไม่รู้สึกทุกข์เท่าไหร่เนี่ย แต่ถ้าเราหัดจเจริญสติคอยรู้กายเราเรื่อยๆเราจะพบว่ามันทุกข์ตลอดนั่งสักพักหนึ่งเมือม่อยละเมื่อยต้องขยับขยับหนีความเมื่อยไปนั่งนั่งไปคันนะอคันต้องเกาเนี่ยขจัดความทุกข์ไปชั่วคราวนะอ้าวเดี๋ยวคันใหม่อาอีกละแมสังเกตไหมร่างกายเราเคลื่อนไหวตลอดอ่นะกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกอยู่เรื่อยๆเลยมันอยู่นิ่งไม่ได้เพราะมันทุกข์นะมันดิ้นหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆ S <S เห็นไหมมันทุกข์อะ่ะแต่ถ้าเราไม่มีสติเราไม่รู้สึกแล้วว่าทุกข์แต่ถ้าเรามีสติเราจะรู้เลยมันทุกข์ตลอดนะไปซื้อเก้าอี้ตัวละแสนตัวล ะ, ละล้านมานั่งแหม่สบายนุ่มสักพักเดียวทุกอีกและ้ะเมื่อยนะต้องขยับเนี่ยถ้าเรารู้อยู่ที่กายเราเห็นโอ้กายนี้ทุกข์ล้วนๆ น, นะความยึดถือกายก็ค่อยลดลงลดลงนะถ้าเราเห็นว่ากายเป็นทุกข์เวลาเราจะตายเนี่ยเราไม่ทุรนทุรายลนะ ไม่ใช่ของดีมันจะตายแต่ตัวทุกข์มันจะตายไม่น่าเสียดายนี่พีมันไม่ค่อยยึดถือแล้วในทางจิตใจล่ะจิตใจเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะอุตส่าห์พยายามจะให้จิตใจมีความสุขนะพามันไปดูรูปสวยๆพามันฟังเสียงเพราะๆนะพาไปกินของอร่อยพาไปดมเกลิ่นหอมๆ ห, หาสัมผัสที่ดีนุ่มนวลให้มัน หาเรื่องสบายอกสบายใจสบายอยู่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวทุกข์อีกแล้วเพราะฉั้นเราต้องนั่งกรนเปลือยมันไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราตามรู้เราจะเห็น ว, ว่าจิตใจเป็นของไม่เที่ยงนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจิตใจเนี่ยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่เนืองเนืองต้องดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อๆยๆจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้นะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้า ย, ย, า ย, ยบังคับไม่ได้เนี่ยพอเราตามรู้เราสามารถตามรู้เราก็จะเห็นความจริงคือเกิดปัญญา รู้ว่ากายกระใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็ปล่อยวางนะอันนี้จิตใส่อวางแล้วเราก็สบายขึ้นเนะีย่ยเมื่อกี้บอกปล่อยวางใจจะตายก็ไม่กังวล น, นะถ้าปล่อยทางจิตใจล่ะไม่ต้องดิ้นรนหาความสุขมารนเปลืยจิตใจหรอกนะทุกวันนี้ต้องดิ้นรนเหน็ดเหนื่อยมากมายเพื่อจะให้จิตใจมีความสุขอุตสาหธรรมกรรมฐานก็คืออันหนึ่งนะในการดิ้นรนที่จะให้มันมีความสุขแต่เสร็จแล้วมันสุขเดี๋ยวเดียว แต่ถ้าเข้าใจอย่างนี้เราจะปล่อยวางจิตจิตจะสุขก็เรื่องของจิตจิตจะทุกข์ก็เรื่องของจิตเขาจะดีเขาจะชั่วเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเห็นอย่างนี้ได้จิตใจจะค่อยปล่อยไปสบายแล้วทําชั่วได้ไหมทําชั่วไม่ได้เพราะจิตใจทําชั่วเพราะจิตใจถูกกิเลสหลอกแต่ถ้าเรารู้จิตรู้ใจเราแจมแจ้งกิเลสหลอกไม่ได้รับรองว่าทําชั่วไม่ได้ะ นี่เราจะสามารถตามรู้กายรู้ใจหรือที่เรียกว่ามียะถาภูตยานทัศนะหรือมีการเจริญนิปั ส, สนาอะไรเนี่ยเราจะสามารถตามรู้ได้เนี่ยจิตใจเราต้องอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าจิตใจมีสัมมาสมาธิจิตตั้งมัน่นจิตมีสัมมาสมาธิไม่ใช่จิตสงบพวกเราอย่าไปก้อ ย, คยเคว๋ส่วนใหญ่เราคิดว่าต้องทําความสงบสงบมากๆแล้วจะเกิดปัญญามันเกิดไม่ได้หรอก สงบมากก็คือขี้เกียจเยอะนั่นแหละขี้เกียจมากๆแล้วจะเกิดปัญญาไหมหรือไม่ไ ม, ไมไ่ยอมทํามาหากินแล้วนอนลูกเดียวจะรวยไหมไม่รวยหรอกนะทําแต่ความสงบไม่ยอมออกมาตามรู้กายตามรู้ใจแล้วจะเกิดปัญญาได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นะ ส, มสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบส ม, สมาธิท่านแปลว่าความตั้งมั่นของจิตใจจิตใจเราตั้งมั่น นะค่อยสังเกตดูใจเราไม่ค่อยตั้งมั่นรู้สึกไหมหนีตลอดเวลารู้สึกไหมเดี๋ยวก็หนีไปทางทางตาเห็นคนเดินมาเราดูเขาเราลืมตัวเราเองเดี๋ยวก็หนีไปทางหูใครเขาคุยกันรู้เรื่องหมดเลยลืมตัวเองนะเดี๋ยวก็หนีไปทางลิ้นนะไปทานของอร่อยรู้สึกไหมตอนทานของอร่อยลืมโลกเลยนะหรือได้กลิน่นนะเดินออกไปได้กลิน่นเหม็นเหม็นอ่นะสมมติเหม็ น, มนกลิ่นเน่าเน่า ลกลางคืนด้วยใจนี้กลัวมองไม่ออกอะ่ะเพราะมัวหลงกลิ่นเนี่หรือออกไปนอกศาลาได้กลิ่นดอกไม้หอมแหมดอกไม้หอมจังเพลิดเพลินดอกไม้หอมลืมตัวเองอีกลแล้วอันนี้ก็เรียกหลงอีกจิตใจไม่ตั้งมั่นเวลาเราทำกรรมฐานเราดูท้องพองยุบเราดูลมหายใจจิตเราไหลไปอยู่ที่ท้องจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมนี่เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่น เวลาเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เทา้าอันนี้ก็เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นจิตไม่ไม่ค่อยจะตั้งมั่นจิตหนีไปตลอดใครมองออกบ้างว่าจิตหนีไปเรื่อยสังเกตเอานะเนี่ยอย่างนี้หนีไปคิดละใช่ไมเนี่ยก็หนีไปคิดรู้สึกไหมให้คอยรู้ทันเขาหนีอยู่เรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่เราสามารถรู้ทันเขานะจิตจะตั้งมั่นโดยไม่ได้บังคับ จิตที่ตั้งมั่นโดยไม่บังคับเนี่ยจะนุ่มนวลเบาเบานุ่มนวลเบิกบานห่อนโยนปราดเปรียวไม่ซึมไม่ทื่อไม่หนักไม่แข็งเมื่อไรจิตซึมเมื่อไรจิตทื่อจิตหนักจิตแข็งจิตอย่างนั้นเป็นอกุศลจิตเพราะงั้นต้องระมัดระวังนักปฏิบัติส่วนมากแทนที่จะเจริญกุศลจิตนะกลับไปสร้างอกุศลจิตขึ้นมาเช่นเรากําหนดจนแน่นไปหมดเลยจิตหนักหนัก จิตที่หนักไม่มีลาภุตาจิตที่แข็งไม่มีมุทุตาไม่นุ่มนวลใช้ไม่ได้เป็นอกุศลงั้นจิตที่รู้สึกตัวมันจะรู้สึกตัวอยู่นะเบาเบานุ่มนวลปราดเปรียวไม่ซึมไม่ชืเนจิตอย่างนี้ทำขึ้นมาไม่ได้เมื่อกี้บอกแล้วนะวีมุตก็ทาขึ้นไม่ได้ต้องมีปัญญาปัญญาก็อยู่อยู่สร้างขึ้นมาไม่ได้ต้องตามรู้นะต้องมี การรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรียกมียถาภูทธยานทัศนะหรือมีการเจริญวิปัสสนานั่นเองก็จะเห็นความจริงนี่จิตใจเราจะตามรู้กายรู้ใจได้จริงจิตต้องอยู่กับเนื้อกับตัวไหจิตจะหนีไปจากตัวเองก็ไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้นะเพราะฉะั้นจะเจริญวิปัสสนาจิตใจต้องรู้สึกตัวนะถ้าเผลออยู่คิดอยู่ หลงเพ่งหลงจ้องอยู่นี่ทำมิปั ส, สนาไม่ได้นี่ทำยังไงจิตจะอยู่กับเนื้อตตัวบังคับไม่ได้ไหมบังคับไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาจิตหนีไปหนีมาบังคับไม่ได้ทําไมมันหนีสังเกตไหมจิตมันหนีเพราะมันมีความอยากเกิดขึ้นในใจเช่นอยากดูพอมันมีความอยากดูมันก็วิ่งไปดูพอมันวิ่งไปดูมันก็ลืมตัวเอง เมื่อมันลืมตัวเองมันก็รู้กายรู้ใจทำวิปัสสนาไม่ได้เวลามันอยากฟังจิตมันก็วิ่งไปฟังวิ่งไปทางหูไปฟังลืมตัวเองจิตใจไม่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเรียกจิตไม่ตั้งมันม่นละพอลืมตัวเองก็ไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้นี่เจริญปัญญาไม่ได้ก็ เ, เกิดปัญญาลอยวางอะไรไม่ได้หรืออยู่ๆเราก็คิดจิตนะวิ่งไปคิด มันอยากคิดหรือมันอยากปฏิบัติสังเกตไหมเวลาเราจะปฏิบัติเราก็มีความอยากจะปฏิบัติพออยากปฏิบัติเราก็กําหนดใช่ไหมเราส่งจิตของเราไปในขณะที่จิตเราไหลไปเนี่ยจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจิตหลงนะ้จิตหลงไปรู้อารมณ์กรรมฐานนะดูออกไม้มว่าหลงส่วนใหญ่เราคิดว่าการที่เอาจิตไปแช่ในอารมณ์กรรมฐานนี้ดีซะด้วยซ้ําไปความจริงต้องเรียนถ้าเรียนเรื่องจิตจะศึกขา ปิละสิกษาจิตตะศึกษาปัญญาศิกษาถ้าเรียนได้ครบเราจะไม่หลงเอาจิตลงไปแช่ไว้ที่หลมหรือที่เท้าที่ท้องจิตมันจะเปิดตัวเองออกมากว้างขวา ง, วางรู้กายรู้ใจรู้เนื้อรู้ตัวไม่หลงไม่เผลอไปเพราะฉะนั้นถ้าสรุปก็คือจิตที่มันไม่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเพราะมันถูกกิเลสลากเข้าไปมันมีตัหาหกตัวมันอยากดูมันก็วิ่งไปดู มันอยากฟังมันก็วิ่งไปฟังมันอยากคิดมันก็วิ่งไปคิดมันอยากเพ่งก็วิ่งไปเพ่งนะมันอยากทำอะไรมันก็วิ่งไปทำอย่างนั้นจิตใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกัตัวสรุปก็คือถ้าเมื่อไหร่กิเลสครอบงาจิตได้จิตก็ไม่ตั้งมั่นแต่จิตชนิดไหนล่ะที่กิเลสไม่ครอบงาจิตที่กิเลสไม่ครอบงำนี่ให้จิตมันมีความเป็นปกติจิตมันมีศีล นี่เราจะเรียนเรื่องศีลละมีจิตสิษยาศีลสิขยาเราค่อยเรียนไปทีละบทจิตที่มีศีลเนี่ยทำไมยังไงถึงจะเกิดจิตที่มีศีลอยู่ๆไปขอศีลมาจากพระนะศีลอย่างนี้ไม่ใช่ของจริงเป็นศีลเชิงจริยธรรมเท่านั้นว่าเออเสร็จแล้วเราก็อยู่ในสังคมอย่างสงบเรียบร้อยไม่เบียดเบียนแต่ศีลของผู้ปฏิบัติมีอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอินเียสังวรศีล ยินเสียสังวรสีเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ง่ายๆอยู่ในพระสูตรที่สองนะสามัญญผลสูตรพระใจปิดกเริ่มที่เก้าแค่สูตรที่สองก็เริ่มพูดเรื่องนี้แล้วท่านบอกว่าเมื่อตามองเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่ใจให้มีสติรู้ทันความยินดียินร้ายนั้นถ้าหากไม่รู้ทันกิเลสจะครอบงาจิตเมื่อหูได้ยินเสียงเนี่ยจิตก็ยินดียินร้าย ให้เรามีสติรู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นถ้าหากไม่รู้ทันกิเลสจะครอบงำจิตทางทวารทั้งหกเหมือนกันหมดเลยหมายความว่าเมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางทวารทั้งหกแล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยจิตเราจะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาท่านบอกให้มีสติรู้ทันลงไปถ้ามีสติรู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยจิตจะเป็นปกติคือจิตไม่ถูกกิเลสครอบงา เมื่อจิตไม่ถูกกิเลสครอบงำํำยกตัวอย่างสมมุติว่าอย่างโจโจ้เห็นสาวสวยเดินมานะเป็นหนุ่มโสดเห็นสาวเดินมาใจมันรักเขาเนี่ยจิตมันเกิดความยินดีขึ้นมานะตามองเห็นรูปจิตเกิดราคานะพอะรักสาวคนนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นถัดจากนั้นถัดจากนั้นก็คือจ้องสาวใช่ไหมหันไปดูสาวด้วยความสนใจเนี่ยจิตส่งออกไปทางตาละ จิตไม่ตั้งมัน่นลืมตัวเองและขนาดนั้นเห็นแต่สาวลืมตัวเองเมื่อลืมตัวเองก็ไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ไม่สามารถเห็นกายใจเป็นไตลรลักษณ์ได้นะก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้เพราะฉะ น, นั้นต้นทางจริงๆนะสังเกตให้ดีถ้าจิตมีกิเลสขึ้นมากิเลสก็จะลากให้จิตไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจลืมตัวเองนะได้ข้อยุติไหมว่าศีลเกิดจากอะไรคือจิตใจที่ไม่ถูกกิเลสครอบงา เกิดจากสตินะมีสติรู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นในใจศีลจะเกิดขึ้นเองคือจิตจะเป็นปกตินะเพราะงั้นศีลเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการนั่งเท่งนั่งจ้องนั่งบังคับนั่งอารัธนาศีลนะเกิดจากสติเมื่อไรมีสติรู้ทันจิตใจของตัวเองกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้จิตที่ไม่ถูกกิเลสครอบงำเรียกว่าจิตปกติจิตมีศีล นะจิตที่ไม่ถูกกิเลสครอบงําก็ไม่ถูกลากไปทางทวารทั้ง6เรียกว่าจิตมีสัมมาสมาธิจิตเมื่อไม่ถูกลากไปทางทวารทั้ง6จิตก็รู้กายรู้ใจได้มียาถาภูตยานทัศนะตามรู้กายรู้ใจได้นะทำมิปัสนาไดนะ้เกิดปัญญาเห็นความจริงว่ากายกับใจเป็นไตร ล, ลักษณ์ก็ปล่อยวางเกิดวิมุติขึ้นเห็นไหมเราไม่ได้ทําอะไรสักอย่างวิมุติก็ไม่ได้ทำนะมันทําของมันเอง ปนะัญญาก็ไม่ได้สร้างขึ้นแต่ว่าเราตามรู้แล้วมันเกิดปัญญาได้เองนะสมาธิก็ไม่ได้ทำขึ้นมาจิตใจเป็นปกติสมาธิก็เกิดเองนะจิตใจเป็นปกติก็ไม่ได้ทำขึ้นมานะแต่ว่าเรามีสติรู้ทันกิเลสที่มันเกิดในใจนี่ทำไงจะเกิดสติล่นะมาถึงปัญหาเกอดเนี่ยเรากำลังสาวเข้าหาต้นทางของการปฏิบัตินะ เริ่มตั้แต่ปลายทางคือวิมุตติเรากาลังสาวมาตามลำดับกำลังเข้ามาถึงตัวสติแล้วสติแปลว่าความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากาหนดรู้นะกำหนดรู้นี่เจือด้วยโลภะสติลองไปดูในคำพีเก่าๆในพระไตรปิฎกสติแปลว่าความระลึกได้สัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวแลวสติไม่ใช่กาหนด สติเป็นความระลึกได้อย่างเราจะระลึกถึงเพื่อนเราสักคนหนึ่งได้เราต้องเคยรู้จักเขานะเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถรู้จักสามารถจําสภาวะธรรมคือจํากายจําใจจํารูปจํานามได้แม่นยํานี่นหะเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดขึ้นนะสติแกล้งทำมไม่ใช่สติตัวจริงเช่นจะเดินจงกรมนะเอากําหนดอยู่ที่ขาตลอดนี่ไม่ใช่สติ เดหายใจเข้าหายใจออกเอาสติจอให้กระลมนี่ไม่ใช่สติเพราะอะไรถึงไม่ใช่สติเพราะขณะนั้นจิตกําลังเป็นอกุศลจิตมีโลภะเกิดขึ้นจิตกำลังอยากปฏิบัติใช่ไหมถึงได้ไปกําหนดลมในขณะนั้นจิตเป็นอกุศลจิตไม่ได้มีสติอกุศลหรือสติกับอกุศลจะเกิดพร้อมกันไม่ได้จิตอยากปฏิบัติจะเกิดสติไม่ได้เลย เพาะจิตขณะนั้นเป็นอกุศลงั้นวิธีทําสติให้เกิดขึ้นไม่ใช่ไปจงใจทําขึ้นมาสติคือความระลึกได้เพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่เราสามารถรู้จักนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรารู้ว่าธาตุมันไหลเข้าธาตุมันไหลออกนะเราเห็นรูปนี้นั่งรูปนั่งเดี๋ยวก็เป็นรูปยืนรูปเดินรูปนอนนะเรารู้จักรูปเราเห็นรูปเหลียวซ้ายแหลกขวาเห็นรูปนี้ก้มรูปนี้เงยรูปนี้เคลื่อนไหว อย่างนี้สติก็จะเกิดเช่นเราคอยหัดสังเกตร่างกายเราร่างกายเราเคลื่อนไหวตลอดวันกระดูกกระดิกตลอดวันหรือหายใจเข้าหายใจออกตลอดวันต่อมาพอเราเผลอไปเห็นเพื่อนเราเดินมาเราดีใจเราจะวิ่งไปทักเนี่ยพอเราก้าวขาปั๊บเนี่ยสติจะเกิดเองเพราะสติมันเกิดเพราะอะไรเพราะเราจํารูปได้แล้วรูปเคลื่อนไหวมันเป็นอย่างนี้เรารู้อาการเคลื่อนไหวของรูปพอรูปเคลื่อนไหวปุ๊บสติก็จะเกิดเอง นหรือนามมาทําล่ะถ้าเราหัดสังเกตใจของเราสังเกตไหมเดี๋ยวใจเราก็สุขเดี๋ยวใจเราก็ทุกข์เดี๋ยวใจเราก็นิ่งเดี๋ยวใจเราก็ฟุ้งซ่านรู้สึกไหมตอนนี้นิ่งๆน่ะนิ่งไม่มากแล้วรู้สึกไหมเริ่มแข่งแกรงแล้วรู้สึกไหมเนี่ยแล้วให้เราหัดตามรู้ไปนะเดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันเป็นกุศลเป็นอกุศลอย่างนั้นอย่างนี้นะเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวใจลอยเดี๋ยวนั่งเพ่งนะ เดี๋ยวเกิดกุศลเดี๋ยวเกิดอกุศลเนี่ยให้หัดรู้ไปเรื่อยๆตามรู้มันไปเรื่อยๆเราจะค่อยๆเกิดสติขึ้นเองนะยกตัวอย่างถ้าเราคอยตามรู้ความรู้สึกในใจเราไว้เนี่ยต่อมาพอเราไปนั่งประชุมกับเขาไนะอคนนี้พูดควรประสาทเนี่ยพอความโกรธเกิดปุ๊บนี่สติจะเกิดเองทันทีที่สติเกิดขึ้นเองระลึกขึ้นได้เองเนี่ยอกุศลจะมีไม่ได้เลยนะโทสะจะดับทันที นี่พวกเราบางคนบอกว่าให้นั่งดูความโกรธอยู่ผมมีสติรู้ความโกรธไม่เห็นความโกรธดับเลยนะไอเนี่ยสติจำปลอมถ้าสติตัวจริงนะกิเลสจะมีไม่ได้นะีมันจำปลอมยังไงอ่ะมันเริ่มตั้งแต่เป็นอยากดูโทสะละนะคอยจ้องเอาไว้นะถล่มลงไปจ้องก็มองไม่เห็นวะ่าถล่มลงไปจ้องนะจ้องแล้วไม่จ้องเปล่านะอยากให้มันดับอีกนะอยากให้มันดับนี่ก็เป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งละมีโทสะเกลียดไอ้กิเลสตัวเก่า เหนไหมขณะนั้นจิตเป็นอกุศลจิตไม่ใช่เป็นกุศลจิตไม่ได้มีสติจริงแต่มีกิเลสเพราะงั้นยังไงก็ไม่ดับแต่ถ้าสติเกิดขึ้นเองเพราะเราจําสภาวะไดนะ้กิเลสจะตั้งอยู่ไม่ได้เลยจิตใจจะเป็นปกติทันทียกตัวอย่างเมื่อเช้าโจโจมาเล่าให้ตามาฟังนะบอกว่าเคยหัดรู้ลมหายใจนะตมาพอมันขยับจะหายใจท่านะสตรีมมันเกิดะระลึกขึ้นได้เอง มาระลึกขึ้นได้เองทําไมมาระลึกได้เองเพราะมันจําสภาวะได้ว่าการหายใจเข้าเป็นอย่างนี้การหายใจออกเป็นอย่างนี้จําอาการได้ไม่ใช่จำว่านี่หายใจเข้านี่เรียกว่าหายใจออกแต่จําตัวอาการตัวสภาวะได้แม่เราไหวรูปเราไหวรู้สึกไหมเราไปยักหน้าทราบไหมไปยักหน้ายังไม่ทราบเลยเราคิดต่อเห็นไหมยังไม่ได้ทราบถ้าเมื่อไหร่เรากายเราไหวแล้วเรามีสติ อัตโนมัติขึ้นมารู้ทันจิตจะตื่นขึ้นมาเลยนะถ้าเมื่อไรจิตเราไหวแล้วเรารู้ทันมันสติก็เกิดขึ้นมาความตื่นก็เกิดขึ้นมาเอางอีกนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะรู้กายหรือจะรู้ใจนะจะตามรู้กายก็เกิดสติจะตามรู้ใจก็เกิดสตินึกออกอยังว่าสติเกิดจากอะไรสติเกิดจากการหัดตามรู้กายตามรู้ใจเนือง การตามรู้กายตามรู้ใจนี่แหละพระพุทธเจ้าเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานแยกออกอย่างบางคนสงสัยว่าเจริญสติปัฏฐานกับวิปัสนาบต่างกันยังไงการเจริญสติปัฏฐานคือการหัดตามรู้กายตามรู้ใจจนสติเกิดขึ้นเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเมื่อสติเกิดขึ้นเองเนี่ยกิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้เพราะกิเลสจะเกิดร่วมกับสติไม่ได้ จิตในขณะนั้นจะเกิดศีลอย่างอัตโนมัติเลยนะเมื่อจิตไม่ถูกกิเลสครอบงมจิตก็ไม่ไหลไปทางสวาร์ทั้งหกไม่มีตัณหาหกอย่างคืออยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากสัมผัสหรืออยากทำงานทางใจนะไม่มีความอยากอันนี้ขึ้นมาจิตก็ตั้งมั่นนะสามมาสมาธิเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้บังคับเลยแต่จ้างให้ก็ไม่ไปเพราะว่าไม่มีกิเลสมาล่อ นะเมื่อจิตมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยถ้าสติระลึกลงในรูปเราเคยหัดเนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นหัดตามรู้กายรู้ใจนะพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะไปสติจะไประลึกรู้กายรู้ใจอัตโนมัตินี่คือการเจริญปัญญาทันทีที่เรามีสติระลึกลงรู้กายโดยไม่เจตนาเราจะเห็นทันทีว่ากายไม่ใช่เรากายเป็นก้อนธาตุมไม่ต้องคิดเลยว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา มันจะเห็นอยู่ทนโทุกข์เลยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราถ้าคิดอยู่เป็นตัวเราถ้ารู้สึกขึ้นมาแล้วไม่ใช่ตัวเราจิตใจละ่ะจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายผ่านมาแล้วผ่านไปจิตใจตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่เฉยๆไม่หลงถล่มเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยจะเห็นเลยทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปนี่เป็นปัญญาขั้นต้น ปัญญาขั้นต้นหนึ่งคือปัญญาของพระโสดาบันพระโสดาบันเห็นเท่านี้แหละไม่ได้เห็นอะไรเยอะคือเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านมาล้วนแต่ผ่านไปพระโสดาบันก็เลยมีศีลบริบูรณ์เพราะว่าอะไรมีสติอยู่นี่กิเลสเกิดขึ้นที่ใจมองเห็นละเกิดทีรีโอตะปะละอายใจเกรงกลัวต่อบาปไม่ทํากิจศีลพระโสดาบันเลยมีศีลบริบูรณ์เพราะมีสติรู้ทัน กิเลสเกิดขึ้นที่ใจก็รู้ทันนะสวดาบันมีสมาธิเล็กน้อยหมายถึงอะไรหมายถึงใจไม่ตั้งมั่นหรอกใจก็เฉลาดซ้ายฉลาดขวาอยู่ทั้งวันนั่นแหละนะสวดาบันมีปัญญาเล็กน้อยนะคือเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปนะความโกรธมาแล้วก็ไปลมหายใจเข้าเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นลมหายใจออกรูปนั่งอยู่ดีๆก็เปลี่ยนเป็นรูปยืนอะไรเงี้ยจะเห็นเลยว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลง อารมณ์รูปนามทุกชนิดเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยมีปัญญาอย่างนี้เรียกมีปัญญาเล็กน้อยนิพพานสกีทาคาเนี่ยศีลบริบูรณ์นะมีปัญญามีสมาธิปานกลางมีปัญญาเล็กน้อยสมาธิปานกลางหมายถึงว่าจิตไม่ค่อยฉลับนะจิตของเราชอบฉลับใช่ไหมฉลับแล้วไปแช่นิ่งๆหยุดเป็นวันๆก็ได้นะพระโสดาบันก็ฉลับแวบแวบบว บ, วบไม่ต่างอะไรกับพวกเราเท่าไหร่ แต่ไม่ค่อยไปลงไปแช่เท่าไหร่หรอกเพราะว่ารู้ทันเรารู้ทันก็ถอยมันถอยออกมาเองนะตั้งมั่นขึ้นเองนะถ้าสกิสาคาเน่ไหลวับรู้วับรู้วับรู้เลยนะไม่ลงไปนอนนะแต่ก็ยังไหลยอยู่ถึงบอกว่ามีสมาธิปั่นกลางก็จะเห็นเลยว่าจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไหลไปลงไปเกิดแล้วก็ดับเห็นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเห็นอยู่ทั่านี้เหมือนกันนะอย่างคุณสุรวัตรแต่งตำรา มีรู้กับเผลอรู้กับเผลอเห็นอยู่เท่านี้รู้กับเผลอนี่เป็นปัญญาเบื้องต้นคือเห็นยังเห็นเกิดดับอยู่นี่พระนาคามีเนี่ยมีสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางทําไมสมาธิบริบูรณ์จิตไม่ไหลเข้าไปแล้วทาไมไม่ไหลเข้าไปเพราะว่ามีปัญญาปานกลางคือสามารถเห็นความจริงของอริยสัจ มาถ้าเมาื่อไรจิตส่งออกไปจิตไหลเข้าไปเกาะอารมณ์นะหรือไหลเข้าไปทํางานเมื่อไหรความทุกข์จะเกิดขึ้นพอจิตใจมันมีปัญญาระดับกลางแจ่มแจ้งเนี่ยมันจะไม่ไหลเข้าไปโดยไม่ต้องรักษาจึงเรียกว่ามีสมาธิบริบูรณ์จิตตั้งมั่นแล้วไม่ไหลแล้วนะแต่เสร็จแล้วยังมีปัญญาปานกลางเท่านั้นคือเห็นว่าถ้าไหลแล้วทุกข์ถ้าไม่ไหลแล้วสุข งั้นก็จะพยายามประครับประคองรักษาตัวจิตผู้รู้เอาไว้หวงแหนจิตผู้รู้เอาไว้นะต่อมามีปัญญาแก่กล้าปัญญาสมบูรณ์นะก็จะเห็นว่าตัวจิตเองที่อุตาหรักษาไว้นะั่นะเป็นตัวทุกขนะ์ตัวจิตเองเนี่ยแปรปรวนบังคับมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็เศร้าหมองเดี๋ยวก็ผ่องใสพอนะเห็นความจริงอย่างนี้ก็ปล่อยวางจิตปล่อยวางจิตพอวางจิตลงไปเปลือกที่ห่อหุ้มจิตนี่ก็แหลกสลายไป แตกสลายนะจิตเข้าสู่ความไม่มีขอบมีเขตไม่มีจุดมีดวงอะไรนี่เล่าตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเนาะเล่ามาตั้งแต่ว่าวิมุตต์ทําขึ้นไม่ไดนะ้ถ้ามีปัญญาเขาก็จะมีวิมุตต์ปัญญาทําขึ้นไม่ได้ต้องตามรู้กายรู้ใจไปเห็นความจริงก็มีปัญญาการตามรู้กายรู้ใจจะตามรู้ได้จิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวมีสัมมาสมาธิ จิตใจจะมีสมาธิถ้าไม่ถูกกิเลสลากเข้าไปจิตใจที่ไม่ถูกกิเลสลากขอาไปเรียกจิตปกติจิตมีศีลจิตจะมีความเป็นปกติได้ต้องมีสติรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นในใจรู้ทันจิตใจก็ไม่ถูกครอบงำเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกเมื่อตาเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทนันกิเลสจะครอบงาจิตต้องมีสติ งั้นจิตใจจะเป็นปกติต้องมีสติรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดในใจสติจะเกิดขึ้นได้นะถ้าสามารถจําสภาวะได้เช่นเราจําได้ว่าราคะเป็นอย่างนี้พอราคะเกิดสติก็เกิดเองเราจําได้ว่าโทสะเป็นอย่างนี้นะพอโทสะเกิดสติก็เกิดเองนะถ้าจําได้เราก็เช่นเราจํำว่าเผลอได้พอเผลอไปปั๊บสติก็เกิดเอง จำได้ว่าความยินดีเป็นอย่างนี้ความยินร้ายเป็นอย่างนี้นะพอมันเกิดสติก็เกิดเองเพราะฉะั้นเรามีหน้าที่หัดตามรู้ไปเรื่อยหัดตามรู้กายหัดตามรู้ใจไปพอนะตามรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งสติก็จะเกิดเองการตามรู้นี่แหละเรียกว่าอนุปัสสนานะถ้าตามรู้กายก็มีชื่อว่านะกายานุปัสสนากายานุปัสสนาแปลว่าตามรู้กายตามรู้กายหมายถึงยังไง หมายถึงว่ากายมันอยู่ในการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในการอย่างนั้นไม่ใช่นั่งจ้องไว้ก่อนต้องระมัดระวังนะนักปฏิบัติพอเริ่มต้นก็มีกิเลสแล้วอยากปฏิบัติพออยากปฏิบัติลงมือจ้องกายนะแล้วก็จ้องแข็งทื่ออยู่เงี้ยจ้องมันจะกระดุกกระดิกรู้หมดเลยไม่รู้นะแต่ใจเนี้ยทื่อๆจ้องเอาไว้บังคับไว้นี่ไม่ใช่การตามรู้นะนี่เป็นการนั่งจ้องไว้หรือนั่งคิดเรื่องกายเช่นยกแล้วนะอย่างเงี้ย นี่เรื่องคิดเรื่องกายนะไม่ใช่การรู้กายการรู้กายหมายถึงยังไงหมายถึงว่าพระเจ้าสอนชัดๆเลยภิสูจนทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยในการคู่ในการเหยียดในการก้มในการเงยนะเหลียวซ้ายแลกขวายืนเดินนั่งนอนกายของเธออยู่ในการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในการอย่างนั้นไปยักหน้ารู้ไหมพอรู้แล้วรีบคิดต่อ เตรียมมาตั้งใจจะรอฟังต่อรู้สึกไหมเนี่ยเพราะงั้นถ้าหากสมมุติเรารูปมันไหวนะหรือเรายกมือปุ๊บเนี่ยหรือเราพยักหน้าพูดพู ด, พ ด, พดฟังหลวงพ่อพูดแล้วพยักหน้ากึ๊บเกิดะระลึกขึ้นได้ว่าเอ้ยเมื่อกี้พยักหน้านี่ตามรู้นะทันทีที่รู้ว่าเนี่ยเนี่ยพยักหน้าทันทีที่รู้ว่าพยักหน้านะจิตจะตื่นขึ้นอัตโนมัติเลยนะแต่ถ้าไปจ้องไว้ก่อนนแล้วจะพยักหน้าแล้วนะ นี่ไม่ตื่นนะเพราะนั่งจ้องเอาไว้เพราะฉะนั้นไม่ใช่การนั่งเพ่งนั่งจ้องแต่เป็นการตามรู้กายไปกายมันเคลื่อนไหวยังไงรู้นะกระพิบ ต, ตาเนี่ยกรอกตาตั้มไหมเมื่อกี้กรอกตาเนี่ยคุณผู้ชายเนี่ยสั่นหน้ารู้ไหมเมื่อกี้ไม่ทราบถูกแล้วเพราะเมื่อกี้หลงแต่ว่าตามรู้ทีหลังรู้สึกไหมว่าเมื่อกี้ขยักหน้ารู้สึกไหมอ่ะนะ ทันทีที่รู้ว่าเมื่อกี้นี้เคลื่อนไหวปั๊บเนี่ยสติจะเกิดล้ไม่ใช่ว่าเคลื่อนไหวไปจ้องไปแล้วสติจะเกิดอย่างนี้สติไม่เกิดอย่างนี้เรียกว่าจ้องเอาไว้ทําด้วยโลภะแต่ถ้าเราไม่ได้เจตนาเลยเราเกิดกระดิกตัวขึ้นมาแล้วเราลึกขึ้นได้เฮ้ยขยับแล้วสติจะเกิดขึ้นมาเราจะตื่นออกมารู้ออกมาจากโลกของความฝันเลยเนี่ยพยักหน้านิดหนึ่งละทีนี้นี่คิดนะนักคิดอาชีพ รู้สึกไม่ใจเราเปลี่ยนนะเออเนี้ยรู้ไปนะแต่อย่าจ้องนะไม่เพ่งไม่จ้องต้องระวังมากเลยนะที่เราทำส่วนมากชอบจ้องกันจ้องเท้าจ้องท้องจ้องลมจ้องนี่ใช้ไม่ได้เนี่ยจ้องมันเกิดจากโลภะแล้มีโลภะขณะที่กาลังจ้องในจิตก็มีกิเลสอยู่เพรากิเลสกับกรรมเนี่ยเกิดพร้อมๆกันเนี่ยเป็นสหชาติปัจจัยเกิดด้วยกัน ขณะใดจิตมีกิเลสแล้วไปทําอะไรอยู่เนี่ยขณะนั้นกิเลสยังอยู่เมื่อกิเลสยังอยู่สติไม่อยู่หรอกงั้นเราค่อยนะร่างกายเราไหวไปมันขยับไปแบบเราไม่ได้ตั้งใจอย่าไปแกล้งตั้งทื่อๆอย่างนั้นไม่เอานะอย่าไปตั้งใจทําอย่างเงี้ยไม่เอานะปล่อยไปเลยให้มันกระดูกระดิกไปนะเคลื่อนไหวไว้แล้วก็คอยรู้ทันเนี่ยมือขยับแล้วนะ แต่ไม่ใช่ว่าเอาจะขยับแล้วนะขยับแล้วนะกำลังขยับนะอย่างนี้ไม่ตื่นหรอกดีสิครูบาอาจารย์ถึงพาเดินจงกรมั้งเลยมั้งนี่พอเดินจงกมมงร ม, งงกมซ้ำซากเดี๋ยวก็กฝันไปอีกนะหรือโจโจ้เข้าุตสาไปทำนาฬิกาปลุกมาไว้ให้ค่อยขอแน่บอกสองนาทีเป็นเขย่าทิงเขยา่ขยาแล้วเราจะได้รู้สึกตัว ทีแรกก็รู้สึกอนะแต่หลายหลายวันเขาไม่รู้สึกแล้วนะนานๆก็ชักลาคาแล้วเข้าออกล้วเพราะ <c oughs> งั้นกิเลสเนี่ยมันพัฒนาได้นะอย่างเราเคยเคาะอย่างเงี้ยเรารู้สึกตัวได้ทุกวันมานั่งเคาะเนี่ยต่อไปจะไม่ค่อยรู้สึกลนะพอซ้ำซากเราไม่ได้กลิ่นเพราะงั้นหัดสังเกตไปนะหัดสังเกตจิตใจของเรา นะง่ายๆเลยหัดรู้สึกความความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันคอยรู้ไปเรื่อยๆนะรู้เล่นๆรู้สบายๆอย่าจริงจังเนี่ยจิตหนีไปรู้ไหมทิติเห็นไหมไม่มีถีติภูตังละภาษาชื่อทิติ <c oughs> เป็นหนีนะทิติก็รู้ทันมันดีแล้วทำถูกละนะปฏิบัติเก่งคิอสดาจ้องแล้วรู้ไหมเนะียกุ้งเที่ยวหามันละ อ, อย่คิดฝันไปรู้สึกไว้คุณแทนเป็นไงเมื่อไหรจะเลิกเมื่อไหรจะเลิกปฏิบัติอคุณสันติฝันแล้วเนอะรู้สึกไว้ไม่ห้ามปล่อยให้มันไปแล้วก็ค่อยรู้ทันทีหลังไม่ใช่ว่าจะรอดูซิว่ามันจะเริ่มเผลอตั้งแต่เมื่อไรตอนนั้นเผลอเรียบร้อยแล้ว แต่รอให้มันเสอมันเสอไปก็ชั่งมันเสอะแล้วรีบรู้ไวๆเนี่ยสติจะเกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นเสอจะสั้นลงสั้นลงนะพอเรารู้สึกตัวได้บ่อยๆศีลก็บริบูรณ์สมาธิปัญญาก็ดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยหลงละรู้สึกไหมแวบเนี่ยจิตหนีไปละนะเนี่ ย, นน ไ, นะยไม่รู้สึกนะแต่ห้ามไม่ได้ไม่ฝึกห้ามนะไม่มีคําว่าห้ามเลยให้รู้ตามที่เขาเป็นนะรู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่บงังคับไม่ใช่ห้าม นะคุณสันติสันเนาะตื่นไหมตื่นเป็นแอนเป็นไงอย่าตั้งใจนะตั้งใจนะชื่อเพล่าเ่าาตั้งใจรึไหมความจริงอยากปฏิบัติอ้าวโยหนีไปไหนห <c oughs> นีไปอยู่ซอกตู้เนาะเนี่ย <c oughs> กระดุกกระดิกก็ไม่ขึ้นได้ว่าเมื่อกี้กระดุกกระดิกไปละ พระพุทธเจ้าสอนเราง่ายๆนะไม่ได้สอนอะไรที่ยากเกินเหตุเลยเขาบอกให้ตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตใจตามรู้ไปให้มันเป็นแล้วก็รู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ไปทําอย่างอื่นหัดตามรู้มากๆพอต่อไปจิตใจมันจําสภาวะได้แล้พอสภาวะอันนั้นเกิดขึ้นสติเกิดเองอย่างเราหัดรู้ทันมัจจัยเราเผลอไปคิดใจไหลไปคิดเนี่ย พอเราจําสภาวะได้รู้จักสภาวะนี้พอไหลไปคิดปุ๊บสติจะเกิดเองนะการหลงไหลไปคิดจะขาดสะบั้นไปเองอย่างขณะเนี้หลงไปคิดซ้ำไหมยังไม่เลิกเลยซ้ำไหมอ่าเนี้ยนะเธอคิดบ่อยดีนะส่วนมากเธอคิดวันละครั้งคือตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่เคยตื่นเลยนะเผลอว่าละครั้งเดียวเนี่ยนั่นไม่ดีเธอบ่อยดีอนุโมทนาเผอบ่อยแสดงว่าสติเกิดบ่อย บบเกิดแล้วก็ดับนะสติไม่ใช่เกิดแล้วอยู่ทั้งวันสติก็เป็นของเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่หลงไปเป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับเหมือนเหมือนกันไม่มีอันไหนเกิดแล้วไม่ดับหรอก <S <S ในเวลาเรียนนะเรามุ่งเป้าจะต้องเป็นพระโสดาบันเนี่ยเราใคมาเรียนรู้ไอะไรเกิดอันนั้นดับอะไรเกิดอันนั้นดับพระโสดาบันรู้เท่านี้ต่างหากอ่ะไม่ใช่รู้พระไตรปิฎกนะ สังเกตไหมว่าจิตใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆความรู้สึกทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับความรู้สึกมันเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปได้เพราะอะไรสังเกตออกไหมเพราะการกระทบกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทําให้ความรู้สึกมันเปลี่ยนเงั้นอย่าหลีกเลี่ยงการกระทบกนะารปฏิบัติทำไม่ใช่การนั่งปิดหูปิดตาปิดปากปิดจมูกปิดลิ้นปิดอะไรหมดเลยแล้วก็นั่งซึบบู๊ อ, อยู่ แต่ลืมตาขึ้นมาให้มันกระทบพอมันกระทบแล้วเนี่ยให้มันเกิดปฏิกิริยาตามธรรมชาติอย่าไปตรึงอย่าไปบังคับไว้เช่นเห็นหน้าคนนี้เกลียดมันเลยเกลียดรู้ว่าเกลียดนะดีกว่าเดี๋ยวได้ยินเสียงคนนี้เดินแล้วจําได้ว่าคนนี้จะมาแนละ้เดี๋ยวเราจะต้องเห็นหน้าเขารีบจ้องไว้ก่อนพุทโธพุทโธพุทโธโอ้จิตของเราเป็นกลางะว่าไปโน่นนะจิตหลงน่ะสิ เห็นไหมขยับตัวแล้วลืมเผลอขยับอย่าไปทําม่อย่าไปตรึงความรู้สึกนะต้องระวังมากเลยที่ฝึกกันมาส่วนมากจะไปตรึงความรู้สึกไว้กับกายกลัวจะเผลอนะก็เอาความรู้สึกเกาะกายเอาไว้อาตมาทําหน้าให้ดูนะดูจิตไม่เป็นดูหน้าอาตมาอย่างเงี้ยจะทําอย่างเงี้ยนเี่ยจะคอยประคองคอยระวังกลัวจะเผลอกลัวจะหลงอันนี้หลงล้วนลว น, ลวนเลย หลงปฏิบัติอยู่เป็นไงซึมยังอซึมแล้วก็รู้ว่าซึมนะสังเกตไหมว่าซึมน้อยลงเนี่ยคอยรู้ความรู้สึกของเราอย่างตอนมาถึงวัดเนี่ยความรู้สึกก็อย่างหนึ่งใช่ไหมตอนทานข้าวก็รู้สึกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็นั่งอยู่เนี่ยรู้สึกอีกอย่างหนึ่งรู้สึกไหมสังเกตไหมว่าฟังๆเนี่ยหลายๆคนใจชักเบาขึ้นมาใจชักตื่นขึ้นมารู้สึกบ้างไหมออ เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงให้เราดูเราฟังธรรมะที่เร่งเร้าความรู้สึกตัวจิตเราก็ค่อยๆตื่นขึ้นมาธรรมะของพระพุทธเจ้าร่าเริงเบิกบานนะอลองดูในพระไตรปิฎกสิลงท้ายเวลาใครไปฟังเทศของท่านบอกพระพร์พุทธเจ้านะชักชวนให้ร่าเริงด้วยธรรมิกถาฟังธรรมะแล้วร่าเริงนะไม่ใช่ฟังแล้วซึมฟังแล้วสลดหดหูไม่ใช่นะ ฟังเราล่าเริงถูกไหมนี่เริ่มล่าเริงแล้วรู้สึกไหมเนี่ยพอฟังเรื่องตลกก็ชักล่าเริงรู้สึกไหมแต่ล่าเริงในธรรมะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะจิตใจมันจะค่อยๆตื่นขึ้นมาเบิกบานความรู้สึกตัวจะค่อยชัดขึ้นชัดขึ้นเนี่ยแล้วก็จะรู้ว่าธรรมะจริงๆง่ายนเหมือนเปิดของคว่ำให้หงายนี่แหมทําแค่นี้ยากเหรอทาแค่นี้ไม่ยากเลย ยังรักษาความรู้สึกตัวไม่ดีนะต้องปล่อยเลยหลงเป็นหลงอย่า ก, กลัวมันใจเด็ดเด็ดเออเนี้ยรู้สึกไหมสบายกว่าเก่ า, า เ, ออเลิกบังคับโอเลิกบังคับไม่เอาทําไมต้องบังคับเขาอยากปฏิบัติกลัวหลงใช่ไหมเนี่ยเบื้องหลังคือกิเลสนะที่นั่งบังคับอ่ะงั้นปล่อยเลยปล่อยให้ได้อย่างเนี้ยปล่อยไปเรื่อยสังเกตไหมพอปล่อยแล้วหนีแวบเบมื่อกี้เนี้ยเ อ, อ รู้ทันเฉยๆไม่ต้องไปว่าอะไรมันเนี่ยไห ว, ไว้อีก แ, บบแวบละเนี่ยหนีไปคิดละเห็นไหมอยากพูดดันขึ้นมาเนี่ยเ อ, อนะแน่รู้ทันไปไรื่รู้ตามรู้ไปเรื่อยๆไม่บังคับเลยปล่อยต้องปล่อยอย่างนี้นะจําได้ยังเจำจำสภาวะให้ได้เนี่ยเริ่มไปจ้องมันละรู้สึกไหมเริ่มจะไปจับมันอีกละปล่อยให้ได้เออต้องปล่อยอย่างนี้สังเกตไม่ทันทีที่ปล่อยเหมือนเราตื่นขึ้นมา ทันทีที่มันปล่อยเนี่ยเหมือนเบิกบานขึ้นมานะรู้ตื่นและเบิกบานเข้าใจไหมเนี่ยฟังธรรมะแล้วรู้ตื่นและเบิกบานจิตถึงร่าเริงด้วยธรรมิกถามันไม่ใช่ฟังเรื่องตลกแล้วก็ร่าเริงนะแต่ว่าจิตของเรามันตื่นขึ้นมามันเบิกบานเนี่ยจิตมันฝันแล้วดูออกไหมเมื่อกี้เคยตื่นตอนเนี้ยจะเห็นแล้วว่าฝันเป็นอย่างนี้นึกออกอยังว่าที่ผ่านมาในชีวิตเราฝันทั้งวันเลยในโลกนี้แทบไม่มีคนตื่นเลย ยิ่งนักปฏิบัตินั่นแหละนักฝันตัวยงเลยฝันเรื่องปฏิบัติฝันเรื่องหายใจเข้าฝันเรื่องหายใจออกจิตใจเป็นยังไงทราบไหมนะเดี๋ยวค่อยฟังไปยากยากเหมือนกันแหละแต่มันยากตอนเริ่มต้นนี้แหละะแต่ว่าถ้าเราหัดรู้เป็นล้วรู้ว่าความรู้สึกตัวเป็นยังไงเผลอเป็นยังไงหลงเป็นงไงนะต่อไปง่าย พอใจเราไหลไปนิดเดียวเราก็ตื่นขึ้นมาล้รู้ทันเนี่ยไหลแล้วนะไม่ตื่นรู้สึกไหมมันแน่นมถ้าเมื่อไหร่หนักหนักแน่นแน่นปิดแล้วต้องปล่อยเลยปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งไปยังปล่อยไม่หมดนะหัวเละสักทีสิเออนะเออไม่ธร <c oughs> นะรมชาติเห็นไห ม, มถ้าเป็นธรรมชาติเนี่ยจะหลุดเมื่อกี้หลุดแล้ว เพราะไม่ได้เจตนาประคองไว้เียเริ่มเข้าไปเกาะ อ, อีกแล้วคอยรู้สภาวะไปทีละขณะทีละขณะนะไม่มีอะไรยากคิดมากยากนานสังเกตไหมความรู้สึกของเราเปลี่ยนรู้สึกไหม เ, เมื่อกี้ใจเราซึมซึมใช่ไหมตอนนี้ไม่ซึมแล้วรู้สึกไหมเนี่ยให้ค่อยรู้สึกไปตนะ่พอเสียงกระทบหูปุ๊บความรู้สึกก็เปลี่ยนใช่ไหมพอรูปมากระทบะตาความรู้สึกก็เปลี่ยน ความรู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆงั้นไม่บังคับไว้โยดูออกไหมสายชักกระสับกระสายพิจ <c oughs> <c oughs> ิวะเลยเชิญไม่รู้สิจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งได้อย่างเดียว <c oughs> ไม่กลับเลยจิตหลวงพ่อมันโต <c oughs> จิตลงภาพมันกว้างๆโตๆไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาไม่เอาสิเราจงใจจะรู้อะไรก็รู้อันเดียวจะไปรู้หลายอันไม่ได้นะไม่กลับหรอกกลับมาทำไมอ่ะ เอาแทนที่จะถามจิตตัวเองมาถามจิตหลวงพ่อทำไมทำไมเราดูแล้วเราต้องดึงกลับเลยไหมเพราะเราคิดว่าจิตมีดวงเดียวเพราะงั้นเมื่อจิตของเราวิ่งไปที่โน้นจะต้องเอาคืนมารู้สึกไหมเราคิดว่าจิตเที่ยงจิตมีดวงเดียวจิตมีหนึ่งเท่านั้นเพราะงั้นจิตวิ่งไปแล้วจิตต้องเอาคืนมานี่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ความจริงจิตเกิดขึ้นทางตาแล้วก็ดับไปจิตเกิดขึ้นทางใจแล้วก็ดับไปไม่ใช่วิ่งไปวิ่งมาหรอกแต่เรายังมองภาพไม่ออกเหมือนเคยดูฟิล์มหนังการ์ตูนไหมมันเป็นรูปที่ไม่ได้ไม่ใช่รูปเดียวกันอะแต่พอมันเคลื่อนต่อกันนะเรารู้สึกตัวการ์ตูนมีตัวเดียวตัวการ์ตูนนี้เคลื่อนไหวได้วิ่งไปวิ่งมาความจริงไม่มีตัวไหนเคลื่อนไหวเลยมันเกิดตรงไหนมันก็ดับอยู่ตรงนั้นแหละ ไม่ได้หรอกไม่ได้นะคือจิตใจของเรายัางรู้สึกอยู่อย่างนี้อยู่ไม่ต้องวิ่งไปดูถ้าวิ่งไปดูนะพอดูเสร็จพี่จะวิ่งกลับเนี่ยจะรู้สึกเหมือนจิตเหมือนแมงมุมรู้สึกไหมเหมือนเราอยู่ขยุ้มหลังคาอยู่กลางใบใ้กลางใหญ่ไปนะ่ะเดี๋ยวเขาวิ่งไปทางนี้วิ่งไปทางนี้นะค่อยๆดูไปอย่าไปสนใจจิตคนอื่นนะ ไม่ดึงเพราะว่ามันจะเห็นเลยว่าจักคูวิญญาณจักคูวิญญาณจิตคือความรู้อารมณ์ทางตาเนี่ยเกิดเราก็ดับนะวิธีฝึกนะทิ่ติลองสังเกต ด, ดูนั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยขนาดที่ฟังหลวงพ่อรู้สึกไหมเดี๋ยวก็ตาดูหลวงพ่อเดี๋ยวก็หูฟังหลวงพ่อเดี๋ยวก็ใจคิดสลับไปสลับมารู้สึกไหมนะระหว่างที่ดูทางตาเห็นหน้าหลวงพ่อชัดแล้วก็แวบเดียวหน้าหลวงพ่อเบลอไปดูออกไหม นะลองดูที่เอาใครก็ดูได้เห็นไหมไม่มีใครเห็นอาตอมาตัวจริงเลยดูได้แว บ, บเดียวดูออกไหมว่าดูได้แว บ, บเดียวแล้วก็เบลอแล้วต้องตั้งใจดูใหม่ก็เห็นอีกแว บ, บเดียวแล้วก็เบลออีกทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะจิตเกิดเราก็ดับจกักครูวิญญาณจิตเกิดได้ครั้งลักษณะดเดียวแวบบเดียวดูได้นิดเดียวนะอุตส่าห์ไปเสียเงินไปดูอะไรแพงๆความจริงดูได้นิดเดียวดูได้แว บ, บเดียว แว บ, บเดียวแล้วมันก็ดับสังเกตไหมพอไปดูนะแล้วมันก็ดับหูไม่ได้ยินเสียงแทนได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดนิดเดียวสังเกตไหมเสียงหลวงพ่อเริ่มเบลอๆไปนะแต่ว่ามีเลกคอร์ดไว้มันจำไว้แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาทบทวนฟังซ้ำเพราะฉนั้นะหูได้ยินเสียงก็ได้ยินขนาดเดียวแต่ว่าการเกิดทางใจคิดอยู่ทางใจเนี่นเกิดซ้ําๆไม่มีประมาณเลยคิดยาวๆรู้สึกไหม ฟังนิดเดียวดูได้นิดเดียวแต่คิดเยอะๆแยกคิดเดยอะๆเนไหมไม่ได้ดูไม่ได้ฟังแต่คิดถ้าพี่ติสังเกตอย่างเงี้ยเดี๋ยวจิตเกิดทางตาเดี๋ยวจิตก็เกิดทางหูเดี๋ยวจิตเกิดทางใจเห็นอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปมันจะละความเห็นผิดว่าจิตเที่ยงแต่เดิมเราคิดว่าจิตม <require S 1> ีดวงเดียววิ่งไปทางนี้วิ่งไปทางนี้นี่เป็นความรู้สึกที่หลอกลวงเราแต่ถ้าหัดมีสติรู้เดี๋ยวจิตก็ไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวไปทางใจแล้วจะเห็นไปทางตาแล้วก็หายไป เฟดเอาไปเฉยๆรู้สึกไหมดูหน้าหลวงพ่อแล้วก็เบลอไปเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดทางตาดับไปเกิดจิตที่เกิดทางหูหรือทางใจขึ้นมาแทนเนี่ยจิตเกิดทางใจดูออกไหมนี่ถ้าเราเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้าเราจะละความเห็นผิดว่าจิตมีดวงเดียวหรือว่าจิตผู้รู้มันเที่ยงหลวงปู่ล่าผูเจาก้ท่านสอนไมดีเลยท่านสอนบอกว่าผู้ใด นะไม่ยืนยันว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตก็ข้ามทะเลหลงได้ละรู้สึกไหมว่าจิตคือตัวเรานะท่านบอกถ้าไม่ยืนยันว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตข้ามทะเลหลงได้ละหมายถึงได้พระโสดานะไม่หลงผิดแล้วนะจิตผู้รู้นะนิพพานไม่ใช่จิตผู้รู้ฟนะากผู้รู้ไปจนไม่มีกำหนดหมายนะถ้าหมายอยู่พอเหมือนๆ อ, นะอันนี้ฟังยากนิดหนึ่ง ท่านสอนใงานบอกว่าถ้าใครยังเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงนะนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิเรารู้สึกจิตของเราเที่ยงนะวิ่งไปวิ่งมาเพราะงั้นวิ่งไปแล้วต้องเอาคืนเพระ อ, อะไรเพราะทิฏฐิของเรายังไม่บริสุทธิ์เราเห็นว่าจิตมีดวงเดียวเ mm. ที่ยงแล้วก็เป็นของเราด้วยนะนทิฏฐิคอยสังเกตจิตเกิดทางตาแล้วก็ดับเกิดทางหูแล้วดับเกิดทางใจแล้วก็ดับ นะเวลาเกิดทางตาเนี่ยไม่มีกูศนและอกูศลเวลาเกิดทางหูก็ไม่มีกูศนและอกูศนไม่มีสุขไม่มีทุกข์แต่พอมาเกิดทางใจนะมีกูศลมีอกูศนมีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นทางใจเพราะงั้นะตอนที่ตามองเห็นรูปเนี่ยโอ้ใครมันก็เห็นนะสามารถเจริญสติได้ไหมตอนที่ตาเห็นรูปไม่ได้เพราะขณะนั้นไปวิบากจิตนะไม่ใช่มหากูศนและจิตนะั่จิตที่รู้อารมณ์ทางตา เพราะฉั้นจิตทีต่ตาไปเห็นรูปจิตดวงนั้นไม่มีกุศลหรืออกุศลมีสติไม่ได้แต่ถัดจากนั้นกิเลสหรือกุศลเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยค่อยมีสติรู้ทันมันเพั้นตาเห็นรูปแล้วกลับมารู้ทันใจจิตยินดียินร้ายขึ้นมาก็รู้หูได้ยินเสียงก็มารู้ใจของเรามันยินดียินร้ายก็รู้จิตใจแอบไปทํางาน แอบไปทํากรรมฐานเรื่อยไปทำอะไรก็ตามก็รู้ทันมันว่าแอบไปทํางานแล้วะหัดรู้ไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งจิตก็พ้นจากความปรุงแต่งะจิตที่พ้นความปรุงแต่งนั่นแหละนี่ว่าจิตมันเห็นนิพพานเพราะนิพพานมีอีกชื่อหนึ่งว่าวิสังขารไม่ปรุงแต่งในจิตเราปรุงแต่งรู้สึกไหมจิตเราปรุงแต่งตลอดทํางานตลอดวันไม่เคยหยุดพักเลยเราก็ไม่ยอมเหนื่อยด้วยนะท้อท น, ทนขยัน ถ้าเป็นกยันทำงานางนี้รวยไปแล้ว <c oughs> มันจะเป็นกิริยาเป็นกิริยารู้ไม่ใช่ส่งไปรู้ ม, บบนนมันถลำลงไปรู้ <c oughs> นี่หลวงพ่อจำครูบาอาจารย์มานะไม่ใช่หลวงพ่อเป็นเอง <c oughs> ครูบาอาจารย์สอนมานะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งก็หลวงปู่สุวัตแหละหลวงพ่อได้เปรียบพวกเรานิดหนึ่งคือเข้าวัดเร็วกว่าสมัยโน้นครูบาอาจารย์ยังมีเยอะหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศอรนี้เครไปเรียนกับท่านบ่อยหลวงปู่สิมมาหลวงปู่สุวัตนี่รุ่นหลังละหากครูบาอาจารย์อย่างนั้นยากนะอย่างหลวงปู่สุวัตอนะ ไปเจอหน้าท่านแล้วท่านก็จะบอกโอ้มีความสุขสุขหลายนะปฏิบัติแล้วมันมีความสุขแล้วตัวถามว่าจิตติดสุขไม่ไม่ติดหรอกแต่มันมีความสุขมีความสุขเพราะมันไม่มีภาระอย่างของเราถ้ายังทํางานไม่เสร็จรู้สึกไม่สุขรู้สึกไหมคนที่เขาทํางานเสร็จแล้วเ้ารู้สึกมีความสุขะเนี่ยหลวงปู่สุวัตท่านบอกท่านมีความสุขมากตอนบวชนะไม่นึกว่ามันจะสุขได้ขนาดนี้ คิดว่ า, ามีสมาธิทําสมาธิได้พักในฌานมีความสุขอะไรเนะี่ยแต่พอเกิดปัญญาจิตใจปล่อยวางแล้วฉันบอกแหมมันสุขเยอะมีความสุขเยอะใจมันกว้างขวางตรกลงที่ติต้องการถามเรื่องกิริยาจิตหรือต้องการถามว่าจะดูจิตคนอื่นเนี่ยจะดูยังไงต้องการอะไรแนะ่ ดูจิตคนอื่นง่ายนะแต่ดูแล้วเนี่ยมันไม่กลับบ้านนะงั้นดูจิตคนอื่นนะง่ายมากเลยนะน้อมใจออกไปดูเนะที่ยวรู้เที่ยวเห็นจิตคนอื่นหมดเลยเสร็จแล้วกลับบ้านไม่เป็นนะจิตโป่งออกไปอยู่ข้างนอกเข้าฐานไม่ไดนะ้งั้นเราสร้างบ้านให้เสร็จก่อน ให้จิตปลอดภัยมีที่อยู่ปลอดภัยก่อนแล้วก็หัดดูไม่ยากหรอกหัดง่ายตายไปเรียนกับโจโจโ้แต่ต้องเรียนวิธีกลับบ้านด้วยนะ อ, อ, ดด อ, อ๋อเนาะห้ามไม่ฟัง น, นะมันดื้อกลับให้ถึงบ้านนะโจยังไม่ถึงบ้านหรอ ก, เ, กอรเออนะดีดีด มันดือ้อโจ้มีใครนะมาบอกว่าโจ้โจช้ชาติก่อนชาติก่อนก่อนเป็นน้องหลวงพ่อมันเลยดื้อกัหลวงพ่อที่สุดเลยอ้าพออยางวันนี้น้าเชิญ ไม่ดึงไม่ดึงคือจิตที่หลงไปดูเวลาเราดูนะจิตเราวิ่งไปดูใช่ไหมเสร็จแล้วเรานึกได้ว่าจิตหลงไปดูขณะที่รู้ว่าหลงไปดูเนี่ยขณะนั้นมีสติเรียบร้อยแล้วอย่าดึงนะคืออย่างนี้เทียบให้ฟังถึงว่าเราเผลอเราเผลอก็หลงดูก็แบบเดียวกันคือหลงนั่นแหละถึงเราเผลอไปใจลอยไปปุ๊บขณะใจลอยจิตเป็นอกุศลขณะที่รู้ว่าเฮ้ยใจลอยไปละจิตเป็นอกุศลเรียบร้อยแล้ว ขณะทีุ่ยของเราหายไปแล้วเราจะเอาคืนจิตเป็นอกุศลครั้งใหม่แล้นะจิตจะพร้อมจะเป็นอกุศลอีกล้เพราะฉะนั้นพอเราอยากดึงคืนเนี่ยจิตเป็นอกุศลล้วออเราไม่ต้องทําอะไรเพราะมันดับอยู่แล้วสัง เ, เกตไหมอย่างตอนเราเผลอเนี่ยพอเรารู้ว่าเผลอเนี่ยมันเลิกเผลอแล้วไม่ใช่ว่ามีสติแล้วต้องไปละ ก, กิเลส ท, ทีหลังนะทันทีที่มีสติไม่มีกิเลสให้ละเลย คืองี้ยอย่างเผลอไปเผลอไปคิดนะ่ะเกิดรู้ตัวว่าเผลอไปคิดปุ๊บเรื่องที่คิดดับเลยก็รู้สึกตัวแต่รู้สึกตัวอยู่ได้แวบเดียวเพราะเป็นแค่คณนิกะสมาธิอยู่ได้ชั่วขณะมันก็จะไหลใหม่นะบางทียังคิดเรื่องเก่าติดใจอยู่ก็เริ่มไหลไปคิดอีกก็รู้อีกแต่อันนี้ยงเว้นเวลาทํางานนะเวลาเรียนหนังสือเวลาทํางานต้องคิดให้รู้เรื่องนะเดี๋ยวเขาไล่ออกแยกกันให้ออกนะ ว, ว่าตอนไหนเป็นเวลาทำมาหากินหรือเรียนหนังสือ ตอนไหนเป็นเวลาปฏิบัติบางคนมาบอกเขียนซอฟต์แวร์นะแหมนิ้วก็ทบคีย์บอร์ดรู้ใครเขาจะไปจ้างไนะมีใครเขาจ้างหรอกเขาก็ไล่ออกสิงั้นเวลาที่จะคิดให้รู้เรื่องก็คิดไปเวลาเรานั่งประชุมเถียงกับเขาเนี่ยเถียงไปหาเหตุหาผลเถียงไปเถียงไปเถียงไปชักโมโหแะโมโหไม่ใช่งานนะนะโมโหกิเลสรีบรู้ทันมา่กิเลสเกิดลนะแตาจิตใจสบาย หาหาแงมุมไปเฉียงใหม่เนี่ยหลงละดูไหมหลงเนี่ อ, น อ, นอ่ะถึงนี้ถ้าเราจะทําสมถะนะเราก็หาที่เงียบๆทําแต่ถ้าเราทำํำมิปัสนามิปัสนาธทมเมื่อตามองเห็นรูป อ, อยู่ในเมืองก็อยู่ในป่าเนี่ยตามองเห็นเท่าๆกันอยู่ในเมืองกับอยู่ในป่าหูได้ยินเสียงเท่าๆกัน เก่งแต่อยู่ในป่าได้ยินเสียงลมพัดใบไม้อยู่ในเมืองได้ยินเขาด่ากันนะนะความรู้สึกอ่ะเกิดเหมือนอนกันนะอยู่ในเมืองลมพัดใบไอ้อยู่ในป่าลมพัดใบไม้ไหวใจเรามีความสุขมีความสุขก็มีสติรู้ว่าสุขนะได้ยินเขาด่ารัฐบาลรู้สึกสะใจนะแบบน้ามันแพงด่าไปด่ามาสะใจรู้ว่าสะใจอะไรก็ได้ความรู้สึกอะไรก็ได้ ให้คอยรู้เผื่อนี้เรียกเจริญสติเราจะเห็นเลยความสงบตอนที่ได้ยินเสียงลมพัดใบไม้ไหวความฟุ้งซ่านโกรธเคืองสะใจตอนที่ได้ยินเขาด่ากันล้วนแต่เกิดแล้วดับเหมือนกันความรู้สึกทั้งหลายเกิดแล้วดับเหมือนกันเพราะงั้นมีปรัสนาไม่เลือกนะไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่แต่อย่าไปหัดตอนขับรถนะบางคนขับรถไปแล้วจะหัดเจริญสติแล้วเจริญไม่เป็นไปนั่งเพ่งนะ เดี๋ยวเห็นไฟแดงก็สักแต่ว่าเห็นขึ้นมาล้วยุ่งเลยมีมาแล้วนะชนเพิทีเดียวห้าคันงั้นไม่ใช่เวลาลวเราะเจริญวิปัสสนาเป็นยังไม่เป็นอย่างนั้นหรอก น, นั้นเป็นนั่งเพ่งเออนาะเอาเชิญเชิญ คือคือไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ปล่อยจิตว่างนะเราให้จิตมันะ่ะเกิดความรู้สึกอะไรก็ได้แล้วเราก็คอยรู้มันไปนะไม่ใช่ไปทำใจว่างๆนะว่างๆก็ไม่ทำไม่ขจัดแต่ว่าพอมันหลงคิดรู้ว่ามันหลงคิดมันเลิกคิดเองนะเราไม่ขจัดความคิดเอางี้สมมติมันเป็นคิดเรื่องสาว นะคิดไปเรื่มสาวคิตเกิดราคารู้ว่ามีราคะนะไม่งั้นไม่ใช่ว่าไม่ให้คิดเพราะว่าความคิดก็ห้ามไม่ได้ไม่มีอะไรที่ห้ามได้นี่การหัดทีแรกเราจะดูพองยุบนะพองยุบเราดูเพื่ออะไรนะเพื่อให้หัดสังเกตสภาวะออรูปที่พองมันเป็นอย่างนี้รูปที่ยุบเป็นอย่างนี้หัดสังเกตสภาวะอย่างนี้ก็ใช้ได้ต่อมาพอเราเผลอตัวเนี่ยพอท้องมันพองทุบสติเกิดเองอย่างนี้ใช้ได้ นะแต่ว่าถ้ามานี่พองเนาะยุบเนาแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยบริกรรมเรื่อยอสงบนี่สมถนะถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีเหมือนกันสมถะก็มีประโยชน์ได้พักผ่อนแต่จะเกิดปัญญาไหมไม่เกิดคนละเรื่องกันแต่ถ้าเห็นสภาวะได้นะอย่างเรายกเทา้ายั่งเท้าเนี่ยถ้ามายกส้นหนอใช่ไหมมียกมีส้นมันมีส้นแ้่ที่ไหนอมันเป็นท่าทั้งหมดอ่ะ เพาะนไอ้ที่เรียกว่าส้นเรียกว่าเท้าเรียกว่ามือเรียกว่าท้องเรียกว่าหลมเนี่ยบัญญัติทั้งนั้นแต่ถ้าเห็นสภาวะเราเห็นรูปมันไหวท่านหนึงเห็นรูปมันไหวคือกที่ท เ, เ, เคือว่าเอัอก็จแล้วไม่ีอนแล้วมีไปภานก็ตกลเอออาผิดหลักนะแต่เอาไว้พักผ่อนได้ พนะักผ่อนสบายความจริงผวังไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะไอ้นั้นขาดสติอผวังเนี่ยมันเกิดอยู่ตลอดเวลาแหละอย่างเวลาใจเราคิดเนี่ยใจเราคิดนิดหนึ่งแล้วจะเบลอไปนิดนึงสังเกตไหมจะเบลอๆความรู้สึกขาดไปแวบหนึ่งเวลาจะเปลี่ยนอารมณ์ใหม่เนี่ยตรงนั้นอนะผวังเพราะฉะนั้นผวังเกิดอยู่ตลอดเวลาเลยเวลาเปลี่ยนอารมณ์ทีหนึ่งเนี่ยมีผวังมาขั้นทุกทีอะแต่อันนั้นเผลอๆไป แต่ว่าได้พักผ่อนถ้าบางทีที่เคยส้างมาว่าเราต้องทำสมาทำสมาธิก่อ น, นแล้วคือมีหลังทำพัฒนานอันนั้นอันนั้นไม่รู้ใครสอนเนาะ <c oughs> <c oughs> คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาศีลสิกขาเนี่ยเราจะเรียนว่าทํำยังไงจิตจะเป็นปกติ เรียนจนกระทั้งรู้ว่าถ้ามีสติกิเลสครอบงําไม่ได้จิตมีปกติจิตสิกขาจะเรียนว่าจิตที่ตั้งมั่นรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นยังไงจิตที่หลงไปเป็นยังไงเห็นบางคนบอกไม่เอาจิตจะดูกายอย่างเดียวนะก็ลืมไปแล้วบทเรียนที่สองมาเรื่องจิตสิกขาไม่มีกายสิกขานะเพราะฉะนั้นเรียนเรื่องจิตสิกขาเราจะรู้เลยว่าจิตที่ตั้งมั่นรู้สึกตัวเป็นยังไงจิตที่เผลอที่หลงเป็นยังไงหลงไปทางทวารทั้งหกนะพอเรารู้ทันว่าหลงมันก็จะตั้งมั่นรู้สึกตัวขึ้นมาชั่วขณะ เนี่ยคณิกาสมาธิถัดจากนั้นถึงจเจริญปัญญาสิกขาปัญญาสิกขาเนี่ยรู้กายก็ได้รู้ใจก็ได้แล้วแต่ถนัดแล้วนะรู้อะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดงั้นก่อนจะไปรู้กายจิตต้องตั้งมั่นซะก่อนจิตตั้งมั่นไม่ใช่การทําสมถะนะสมถะเป็นที่พักผ่อนสัมมาสมาธิเป็นอีกตัวหนึ่งการทํามสมถะบางอย่างที่ถูกต้องทําให้เกิดสัมมาสมาธิ แต่สมาธที่พวกเราทำส่วนมากมันเป็นมิจฉาสมาธิอย่างนั่งแล้วเคลิมนั่งแล้วตกผวางนั่งแล้วเห็นแสงนั่งแล้วอะไรอย่างนี้ยจะออกไปทางมิจฉาสมาธิไม่ใช่นั่งแล้วรู้สึกตัวงั้นการนั่งอย่างหายใจเข้าหายใจออกแล้วเคลิม้มหรือใจไหลที่เกาะที่ลมไม่คิดไม่นึกอะไรนี่สมาธแต่ถ้าหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวรู้สึกเรื่อย เนี่ยจิตตั้งมั่นจิตรู้สึกตัวอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นไหมทําสมถะอันนี้แล้วเกิดสัมมาสมาธินะไม่เหมือนกันนะถามว่าก่อนจเจริญปัญญาต้องมีสมถะไหมไม่แน่ไม่จําเป็นเสมอไปแต่าถามว่าก่อนจเจริญปัญญาต้องมีสัมมาสมาธิไหมต้องมีถ้าไม่มีสัมมาสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นรู้กายรู้ใจไม่ได้เนพะราะงั้นจะชอบพิจารณากายก็ได้รู้กายรูปยืนเดินนั่งนอนอะไรก็ได้ แต่ก่อนจะรู้กายต้องเรียนเรื่องจิตสิกขาสักก่อนไม่งั้นจะหลงเพ่งกายอย่ไปเพ่งเนี่เพ่งรูปนั่งเพ่งรูปยืนรูปเดินนะส่วนการคิดนี่ผมคนเล็บปันหนังอาการสามสิบสองเนี่ยไม่ใช่กายานุปัสสนามันะเป็นกายคตาสติพอคิดไปคิดไปแล้วจิตสงบนะเป็นเรื่องของสมถะเขาแยกให้ออกนะการรู้กายอย่างนี้ปัสนาอย่างหนึ่งนะ